ทรงประชุมสงบันญญิจสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นจริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพาคุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย